นี่ดามาสร้างวัดที่แรกแถนันเป็นป่าเป็นดงนะตะชวนกันีกเดือนนี่มันจะเป็นดงนสะท้อนเต็ม น, น้เก็บสะท้อนมากินไปดูที่เดินมีอะไรแบบนุ่มไปถึงา้ำอนกันเหมือนกันเป็นป่าเลย เป็นป่าเป็นดงไปหุนถึงทางแยกป่าทั้งนั้นัคือทางเป็นป่าทั้งนั้นเป็นป่าเป็นดงดูต้นยางอะนั่นเนี่ยพอก็ถายถ่ายมุดแล้วต้นยางอย่างเงี้ยเป็นป่าเป็นดงนั่นล่ะจักทางเข้าถึงหมู่บ้านนั่นเป็นสวนเขาแล้วแต่มันเป็นป่าเป็นดงนะที่เข้าเนินนั่นไปทางแยกเข้าไปล้วก็เป็นนั่เป็นดง ถึงสวนกันนะว่าเขาทามันพอเป็นมด น, นัน เ, เ, เป็นดงีวนี้ดเปลี่ย น, นแปลงมานี้ดงทั้งหมดมอยู่ที่แลเนี้ตหนอดเอันนี้มั น, ม น, เ, ปนเปลี่ยนนี่สปีน ะ, าาะเปลี่ยนความเปลี่ยนแ ป, ปลงปดทงปา ม, ม, ม, มันเขายังไม่ไดงนะเดว วันไปนระสบายสบายแต่คิดดูสมัยมว่าแม่ครัวการเทีย่ยวเนะที่เราพี่อยู่ี่มันจะไกลกันลึกบขนาดนะไหนร้หกสปี6 0 7ิบบปีระกาปฏิบัติท่นตมาทางปวบันผื่งก็เดินเที่ยวไปนู่นไปนี่มั้งทั้งมดเลยกระหม่อมสมัยอเปป่าจะโันลอยสัง ไปทั้งวันก็ไม่เคยเจวบ้านคนหลวงป่าหี้งเขานอนอยู่ตามต่าง ม, มีเยอะถึงอยู่ในแต่ทางหลวงช้างทางคนมันเป็นเพี้ยนเป็นด่นด า, นนดานเป็นด่านเป็นพอเป็นร้อยนี้เขาถามไม้เขาทำม้นีการนั้าจจะไปบ้านนั้นบ้านนี้ดนะีคอยดูเขาถามไม้ เ, เก่าจนมากไม้ เพราะว่าขาเราเกา่าแต่สเกตพฤติกมนั้นนี่จะพอเป็นร่องรอยนิดๆทีนี้เวาโถงช้างมันผ่านมาแมา้วมันแหลกหมดเลนไม่ทาราบอะไรเป็นไงต้องไปสกัดข้างหน้ากระดัดดูข้างหน้าข้างหลังรอบแล้วค่อยได้ทางไปถ้าเกิดข้างมันเดินพฤติรกรรมันอีกแล้วยิ่งลาบากนะครับว่าเดินประการมด่างนั่นหรือที่นีไม่ทราบด่างตรงไหนนั้นแหลกไปหมด โอ้ทุกรเรือ่องเพราะแม่กูใจรัทุกมากเลยนะตัเราเนี่ยมันอยากเขาจะทุกเลยตัวนางท่านทุกทุกอย่างกางรกินอยู่ปูวายก็ทุกเออดี๋ยววางเนีทานากินอยู่ที่เขาเขาไม่รู้ภาษีต่างห้วที่แบบ ก, กดไาก<ม>ินหมู่เป็นคณะไปเนี่ยเขาเห็นเขาแตะเออเขา้าปาาอันนี้หมายถึงว่าเขาเขาอายต่างๆนะมันจ่เขากลัวจริงๆนะที่ผมเขียนมันหวาน คือทางนี้เขาเขาอายจริงนะอายถ้าเวลาก็จะหาจริงนะซึ่งจะหาสัตว์นะเไปเจอพาแล้วเขาอินอายมากแต่ก่อนเป็นงั้นนะแต่ก็คือหลงแม่ลวลูกคือเขาอายนั่นแะไม่ใช่เขาพูดจริงนะลูกหลวงแม่แม่หงพอนผ่านไปแล้วออกมาลูกหัวเรากันเติ มันมันีบ้านคนบ้านคนเขาหากินเขาบ้านไม่ใชบ้านใดบ้านตูวหาากินที่นั้นก็พออยู่เขากินทั้นั้นเนี่ยจะปูจับก้านตามหัวตามน้องมันอยู่ในป่าใดงบ้านเขาแบบเป็นบ้านป่าเดินไปเจอวิ่งเข้าป่าเขาลุกเขาอายคนก่อนอายพะยิ่กว่าอะไรเวราะัน้มันนานด้านพอเลยมันอายอะไร ใมทุกวันคนไดน้เรียนสูงนี่ว่าเรียนสูงจะททำไมความรู้สึกการประพฤติมาไมมันด้านมาตั้งน้น่อมอมอกน้ำพ่อน้ำมออก่าขนาดนี้เลยผงนงตกนู่นผงตกนั่น เราเดินไปรัะมีมันความเย็นของมันขนาดถังน้ํามันไปถึงนี่เย็นแล้วนะรัศมีของมันอ่ะแต่คงเป็นไออามาธาพุ่งไปถึงนั้นเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนี่ได้ยินเสียงน้ํามันโอ้มันออกมาเนี่ยมันพุ่งแรงจริงนะเป็นท่อออกมาเลยเหมือนท่อน้ําำ พุ่พ่นจากนั้นออกมาถึงนู่นแสดงว่ามันถักดันกันมาอย่างหนักอย่างแรงนี่ไงมันพุ่งุ่งพุ่งลงหินแต่ทห า, าไม่มีเสียงอะไเลยขเข้าไปใกล้ไม่นั้นหัวแตก ไ, ไปที่ตายนะั่นน้ําำเล่นไถ่กล้าเข้าไปแล้วอยู่ขนาดนี้ขนาดต้นเสาพปเลยขเข้าไปใกล้ได้แต่มันอยู่ข้างๆด้วยนะจะไปอยู่ทางนั้นไม่ได้ต้องไปทางข้างนั้ น, นดูเฉย แต่ขนาดนี้เย็นแล้ว น, นะหนาวแล้วเนี่ยแต่ก่อนเดี๋วนี้มันเป็นงั้นน้ามันมีองนั้นแ่ะแค่แค่แค่ไม่สวยทั้งไม่หมดน้ำแร้งก็มีน้ำฝนก็ ม, กมีเป็นแต่เพียว่ามันไม่หมือนแต่ก่อนทุ่งพุ่งพุ่งแต่ก่อนต้นน้ําถูกทําลายหมดป่าไปทํางอะไรแม่ปงแม่ตังาหาเหมือนกัน คนไม่ใหญ่เขาคนไม่ตกไม่ตกอะไรไม่มีเนืะก็เห ล, เลือเป็นงแต่โอ้หางว่าถูกทำลายโอ้เมืองไทยสมัยพ่อแม่ของขา่านั้นั้นมันี่จถึงเจสปีแล้วท่านมานท่าไปนั้นนี่ไปยปปีเรื่อรือเรือท่าไหร่สมสี่ ปีพุทธาธิษฐานท่านพรรษาได้สี่เก้านะท่า น, า น, 1, า 4, 9, นะนตั้งพรรษาเท่าไหร่คือแปดคืเก้าที่ท่านเกี่ยวทางพื้นถืนมันจะจะกี่ปีมาแล้วสี่ปนะีอย่นี้พรรษาที่ 3, นะทสองก็ไปอยู่ที่ธรรมจุลิกาที่ปรากฏถึงความมาด้วยกันที่ไหนพรรษามี่สองฟังมา อย่างานพูดทั้งนึงผีตัวใหญ่มาฟังมาฟังนะเป็นหัวหน้าพวกลูกเกษตรอย่าง น, นั้นอย่างเงีดีใครตายก็ตายก็ตายอาหารไม่ย่อยมานะแค่นตายสี่คนแล้วถ้าตายแล้วเรียกสี่คนแล้วทำงามก็พาไป บ้านกล้วยหรอมันอยู่หนคือผมจำไม่ผิดแน่ใจว่าจำไม่ผิดอยู่ทีนเขาที่มีหลงตาตรงนั้นที่ท่านส่งกระแสน้ำมาดูคิดกันเรื่องบ้านเรื่องเือนเรื่องอะไรก็อะไรตอนตอนหนึ่งตอนเด็กๆกำหนดลงไปอีกก็ยังเห็นอยนะนั่นจนปีสี่ปีห้านี่หนดลงไปอีกยังอยูนั่นนี้ลงตาไม่นอนหรือนเป็นยังไงเมื่อค นะตอนเชา้าบาินตะบ่ามันใส่ปัญหาแผ่นใหญ่เลยหลวงตานะท่านว่าท่านเป็นบทเดียนอันทั้งผันทั้หวงนะังท่านอะู่หลวงตานั้นเป็นเหตุมาแล้วท่านต้องระมัดระวังการพูดท่านกับพูดในหะ้เขาฟังหมดนะั้นนะการเตือนใครต่อใครมันมีทางได้ทางเสียต้องได้พิจารณาเองมีลาสดุความเล้านะท่านกัป อ, อดกนะ็เหมือนเด็กทันหวังกันนะเหมือนเด็กมันเที่ยววิ่งของมันตามภาษาภาษา เราคอยดูแต่มันจะเข้าอันตรายซึ่งมันจะไปตกน้ำจะไปตกเรือนหี่จะไปเข้าไฟอะไรเป็นอันตรายกับเด็กตอนนั้นนะนนั้นกับปล่อยตามแทนก็ไปสักเป็สัตะตามภาษาของเด็กมันจะไปคอยดูมันทุกกล้ามไม่ได้เด็กเดี๋ยวมันเด็กมันร้องไห้เาะว่าเราไปยุ่งมันอันนี้จี่ใจมันป่วยทนมันก็เหมือนกันนะจะไปทักทุกแน่ทุกมุมไม่ได้ นอกจากมันมีอะไรล้ายแรยงแล้วกัตือนเป็นก อ, อุบายเอาเหนว่ามันจะเป็นฝ่ายผิดเตือนเอาเป็นอุบายเอาอรู้ว่าจะท่านจะรู้สึกว่าท่านจะชัเกเตือนมาตั้งแต่เมื่อก่อนนั่นกับงคงจะมีแต่จำไม่ได้ท่านพูดนั้นเป็นเบื้องต้น ใ่ทำงานมากหายน้ท่านผ่าทุนต <Yeah. S 2> ิดต้องท่านต้องท่านผนะ้วผูเน่าังกบขันดีนะเรื่องพวกนี็จ้วก็อยู่ท่านก็อยู่กันกบขันดีที่โลกจิตท้องไม่ใช่อะไรท่านทีจะนาท่านตั้งรู้ท่ล่าให้ฟังกว่าที่จะท้องบ่อย เมียแช่งวะเงินคือเมียแช่แไปมีเมียแล้วไปทะเลทลายอีกเหรอเมียมันพอใจแช่งออกแล้วกรรมมัน ม, มันติดมาตลอด น, น, นแลน้วต้องพิจารณาท่านรุ่นเคยเปในอะไร น, นะรเคยจากทุกท่านมูซูท่างก็เคยเป็นเป็นเป็ น, ปนหมูป่ามันมา วันวัตตะมันสั่งว่าเกิดที่ไหนที่ไหนที่ไหนตั้เมื่อไรเป็นไม่ได้หมดนะครัมีโอกาสนะผจึไม่ได้ไปพูดบ่บอยๆเนั้ทนทที่เรานั่งภาวนาท่านไปขี่อนต่อสู่อะไนมาขี้่อนแหนี่ไม่ยอมได้หรือไม่ยอมท่านไดห เขาตัง้งขอด้วใจเรามามาให้เราดูหนิเราคาดั้งอย่างไรผมไม่เป็นเองนั่นตอนต่อสู้เวทนาเวลา ม, มันเหนื่อยมันมันเครียจะตายจริงเพราะมันต่อสู้กันมานานกัเลยพักจเจาะกันอยู่นั่นตอนนั้นจ้องกันอยูพอดีท่านเล่าวลาท่านทำข้าวจั๊กจั่วกัน แต่เราไม่ไม่ไม่ไมไมรท่านว่ามันหาวม น, นเราไม่กล้าออกไปเพราะเราเคยคิดไงแค้วท่านก็จะบรรดาไปมาเองตอนเที่ยงแหละวันนี้ฉันหวานอกจิตเราเาหาอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ช่เไม่ถัดไม่ถนัตอน้องเป็นไข้เราพิจารณาเขาา้กันหน่อยหนึ่งก็มาดูหน่อยนะก็นอกจิตไปแล้วว่ า, วานี่แหละบ่เวลาท่างจะเปิดนะ วจ้าอย่างนี้นอนนันะใจถูกขนาดไหนมันนีนทะไรยังนั้นทำแบบลุร่รสีแบบมากัดกันอะไรต่างว่างกันไปอลไรไม่รูคุยเฉียวขุดค้นมันเห็นตัวความจริงสิ อ, อันว่างถน้าเคยพิจารณามาแล้วทำไมต้องทำอย่างนั้นท่านคือท่านไป ไปดูตอนขนาดที่เราพรักเราหยุดหยุดจิตพิจารณาท่านส่งไประยะนั้นพอดีเลยถ้าพระท่านส่งไประยะก่อนหน้านั้นก็คงไม่มีปัญหาเลเพราะกลังค้นพิจาาที่เนนหนื่อยมากเลยพักคูก่นี้ก่อนจ่อเนะกับทุกเวทนานมนไม่หมั่นกไหแต่ถ้าทําไปบอกว่าเราเผลอนะท่านบอกว่าจ่อจอย่างนี้จ่ออย่างนี้ ว่างมันเแล่งอยู่ในนั้ท่านก็ไม่ได้บอกว่าเราเผือแบบแล่งแบบแบบแบบดูสีอย่างหมากัดกันเลยว่าหมาเข้ามาอีกที่นึงอย่างหมากัดกันลักใหญ่ท่านบอมาแบ่งดูสีแต่ที่สังมมันไม่หลังมัน มันไม่หนักพอท่าเลยแบบหมากัดตังมันมีซ้ำาอีกอย่างอันนี้ท่านคงจะไม่พูดเป็นเจตนาอะไรมากนะตามความเข้าใจผมเมื่อหลังจากนั้นมาแล้วผมมาพิจนรณาแต่ดีสีที่แบบเพ่งไม่ใช่ปัญญาถ้าอธิบายท่านดินปัญญาให้ฟังสัจธรรมพิจารณาเสร็จทพิจารณานั้นหรื่า มีสำคัญที่ตอนที่ขนเวลาเริ่มปวดปั๊บหน่ียสําคัญมากเดี๋ยวที่ท่านพูดไปแล้วนุนเพราะ น, นี้มวงประสงค์ที่อยู่กับท่านใครจะสงสัยไม่มีใครสงสัยหี่เพราะท่านพูดทํากลางสงวนุโบสถนี่วันนั้นก็นมาวันนี้ก็ทุเรศใครพักอยู่ที่ไหนไหนสามสี่กิโลเก้ากิโลสิบกิโลถึงวันุบสถก็มาผมเองไปอยู่พูดไหิสิบสามกิโลทำงานแล้วผมก็มา นนนั่นก็นอยู่คนสามิโลสีเโลอุ่นดองอุ่นโคขบ mm hmm. วขอขอนนาวนั่งห้วยบุญห้วยบิอบไไนอะไรไปเต็ม mm hmm. ตังหมดพูดุกเรื่องกห้เล่นความภางเพียร mm hmm. พูดบ่อยนึ่แต่ําไม่พูดถึกอุบสนละจะเหมือนกับว่าบ่อยเวลาพูดไปซ้ผัดทังพูดลงมาแล้วเนี่ยตั้งใจพูดนะ พถึงเร่งการที่จะแก้ไขใจิตใจนั้นมันลบากแก้อะไรไม่ยากยิ่งกว่าแก้ใจคนเปนนานปอนภ า, าก็ภาวนายากเลาปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะปฏิบัติให้ถูกต้องก็ลาบากยากผู้แก้ที่จะแก้ให้ก็ยากเพราะม่ไม่มี่านเอาให้่า ก, กพูดไปแล้วพูดถึงเรื่องความเป็นท่ไวใจคุณยังไงที่พิสูจ พุธทธเถ้าใ น, นงานอยู่นี่นอ้าวเขาเป็นไงว่าเขาเป็นไงให้เป็นให้รู้ว่ะพุทธเถ้าจะแก้เองว่ะเป็นวะนี่นี่ไม่นานนั่งเงาไม่เลยแปดสิบนะเนี่ยยันไม่เล ย, เลยพูดยังอาถรรพ์ยันแม่นยาพูดง่ายพูดยัง <c oughs> แน่ใจมันนับข้อมือแล้วนี่แตเท่านั้นนั่นท่านั้นนะจะกี่ปีวะี่ มันผุ้มวยมัไม่ได้ยิ้มไม่สงสัยเลยแล้วพอเริ่มเป็นถนัดเองพอเริ่มเป็นทำไมฉันพูดไว้แล้วพูดอีกด้วยซ้ํานี่โลกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของผมแหมไม่มีทางหายจะตายเท่านั้นครั้งสุดท้ายไม่มีทางหายอย น, นแต่ไม่ตายง่ายนะ โลกมันโรคทร ม, มานโรคขนแก่อันวาเงี้ยไม่ลืมแล้วผมมันฝังตับอกปลยท่านก็เป็่อนดูธรรมดาเลยนะมนยังไม่มากมายเลยนะพอเป็นพอเริ่มเป็นธรมธรมดาทํามดานล้วแต่ท่านบอกไว้แล้วนี่ยคราวนี้ไม่มีความหมายยาอะไรมาแส่มัม่มีความหมายแล้วมั น, นมจะไปท่าดเดียวใครจะไปรดนน้ำท่วมดินต้นไม้ที่มันตายยืนต้นหนึ่งแล้วเห็นก ร, รอดออก ใบออกผลได้ยังไง น, นี่มหมนกันยังแต่มันไม่ล้มเท่านั้นแหละแต่มันพื้นไื้นไม่ได้แต่มลมหายใจนันเองนั้นสนใจกับาอะไรแล้วก็เป็นอย่างว่าแปดเดือนกว่าท่านจะทก็เริ่มมาเดือนผมจำได้เดือนข้างขึ้นขึ้นจุสีค่เพราะผมมันไวั่งผมมา่า ผมก็เริ่มเป็นไม่จมามาตั้งแต่วันซืนแล้วทมหาผมออกจากําวันนี่จะภูมินู่นบรทุงเชือกพวกเขาเปิดการนิมิตการท่านเพราะนานเป็นเดือน ก, ก, กว่าแล้วตายก็การอย่างนั้นแม้ว่าจะไปนานทั้งหลายคราหนี้เยไปทางไหนล่ะโน้นอาคาว่านี่จะภูมิบังเอาเอาจริงนะดีนะท่าหลังแล้ววันนี้มาคะนี่ะกับผมก็ไม่เด้มาร่วมเลยะ พรมันไปขึ้นจำหลังจำได้ล้วขึ้นสามข้ามเดินสามถึงวันมาข้ามก็ไม่หานวันถึงมาพุ่แเริ่มข้ามหนึ่งเดินสี่จึงมาถึงนั่งท่้นบอกท่นเริ่มมาละบาลมาตั้งวันซืนนะท่านหมานวันซืนก็หมายถึงขึ้นที่สี่ข้ามเดินสี่น่ะผมจาได้ไม่ลืม ้าไปดูไปฟังก็จะสร้างมาที่เท่าไหร่มันเป็นรุ่สี่ขั้นเลยสี่ปีพศ9ก็รูร้เลยแล้วท่างกบมาร่งวงไปวันที่สิบพฤศจิกาผมนำดูเป็นแปดเดือนนะโลกนี้มันตายง่ายลโลกพลัมมานโลกคนแกดท่มาเนียังว่าสมานมาี ลาท่านอายมันเป็นวรรณโลกท่นอายตอนมันดึกตอนตอนมันเย็นเย็นเนี่ยโอ้ยอายโอ้ยนะตุเล็กต้องสานต่างจุดนะผมเองมุกกับท่านเลยมันประจักษ์มันคือคนตองเข้าตอนวันนะงเพื่อนช่อนเพื่อนม่เพื่อนพระเน่ยก็ไม่ได้เข้าหลายองค์นะพระไม่ได้เข้าหลายองค์นะก็เป็นผู้ที่รู้จักปฏิบัติต่อข่าน สองสามองค์เท่านั้นเอแต่ตอนต้องคัญนักจะเป็นผมเสมอเพราะเราเองเราก็ไม่ไว้ใจผู้ใดยิ่งกว่าเราหรือว่าอวดดีก็เหมือนแต่เป็นอย่างนั้นแต่เราไม่เคยคิดว่าเราอวดดีคือไม่สนิทใจเรากลัวจะไปทํามไรท่านอะไรไม่สะดวกขัดอภิญาสายัองท่านเพราะผู้ที่กำลังเกี่ยวข้อง คนโง่ก็มีคนจะหลักก็มีท่านนอนถึงกล่องแต่ลม่นระวังไม่อยากให้เข้าไปเกี่ยวข้องกลางคืนตลอดรุ่งเลยผมไม่นอนเลยนะอยู่ก็บท่านเวลาท่า น, นกำเริบ ม, มากๆผมไม่หนีไปไหนอยู่ใ น, นมุ้งเลยอยู่ก็ท่านเป็นประจำมุ้งก็กว้างหน่อยสามีมายชามปากกว้างขนาดนี้คุณภูม คนนั้นผมจะหมดนะปันเลยคำ้ำลงมามื่เราเขาไปกว้าง น, นะคอลงคอดันะอเอาตองมีหอ่อมาใหม้มือเราถูกนะห่อกว้างมาเราจ ะ, ะทาเองัจจุบันกับ ผ, ผมเป็นคนทาเองปักจุบันผมเองมีกระป๋องผมเนคนจัดการมึง ท, ทาเอง ไม่อยากให้ พ, พระในหลวงดาวเตยเห็นอวัยวะรับของท่านเพราะเราเคารพท่านออจวามเป็นจริงจะมีองค์นึงเขาไปเกี่ยวข้องคนจีมห้า <JJ S 1> ผมไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยผมรับผมต้องหวนท่นานขนาดนั้นผมทำเองถ่ายอะไรมานี่ผมมือกอบเลยเพราะแต่ก่อนไม่ไม่ไม่มีอะไรแผนร่นทักติตรูตึกอย่างทุกวันนี้นะนน ค่าปันมีะดาดอะไรอย่างที่ถ้พาพระตะตืออย่างนี้มันก็สะดวกแต่ก่อนไม่มีเวลาท่านถ่ <c oughs> ากออกยนี่เราก็กกเกาะไปเลยแล้วมานร้องเราก็เกาะเกาะเกกระทุนกาอเกระทุ้นพอเยื่องไปกอน่าจะจัดการเองผมรู้จักอยู่ในวรไวัฒน์ท่านเกี่ยวกับท่านโดยเฉพาะ พ, พอเยื่อไปพวกผู้ลอยตอานั้นมี ลับปุ๊บแล้วปุ๊บไม่ว่าอะไรเรามอืู่ภายในงนั้นสอหรับปุ๊บปุบอู้นอกมีเยอะแต่ข้าข้งในน่้นมีกั่เราเวลาจําเป็นจริงผมหนีไม่ได้หรอกมันมากหักเป็นเองในหัวใจของผมมันห น, นีไม่ได้ในหัวใจสี่ห้าคืนจวนท่านจะไปตะกน oh, oh, ลนเนี่โอ้โหละยานนี่หลังผมเหมือนมันจะแตกนะเออหลังมันจะแตก ผมก็มอกกับท่านหมดแล้วนี่เป็นอะไรก็เป็นนั่นเถอะเพราอนั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งกลางคืนกลางวันผมยุงเลยท่านพระชวยเพราะกางวนท่านก็ค่อชสงบสงงคืนผมเล่กเสมอแลท่านลาบากกลางคืนเรื่องอคิดถึงน่้นในกลางคือเป็นดึกท่านมีลักษณะ กางบาบ า, บางขอเหียบก้บง <c oughs> แล้วกันเป็นครางแต่ท่านจะให้กางมันทั้งหลายเราหนูโอโอไม่มีละอัง น, นี้มันมันเป็นลันษณะเหมือ น, นะนกับทงครางมันทาให้คิดนะแต่ไม่คิดมากนะหักรู้จิตเจ้าของีด่งนั้นรู้ พอติดขั้นนั้นมันก็เป็นขั้นที่กำลังจนมุนวุ่นวายอยู่แล้วหมุนทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วภาวนานี่เป็นท่านเนอย่านั้นท่านเปอาียบังไนั้นน่านันั่นนั่นนั่นนนนั่นนั่น่ัััน่นน่นน ก็ปนาทันทีเลยนะควนคที่สองแต่จาได้ความคิดถึงนิ่งหลงมันความคินี้เป็นภัยต่อเราเป็นภัยต่อท่านไม่ดีปราบทันทีพอแยกบอกคิดเท่านั้นไม่คิดต่อไปเลยเพราะเราเชื่อท่านร้อยปอร์เซ็นเราไปสงสัยหา้นอะไรนะหลว ง, งเลศมันคอยไว้หน้าใครแหละ นั้นจะต้องสอบมาจาางได้เช่นลักษณะที่ขางเรื่อ ง, อ, อ, งองของที่เรื่องของโง่เรื่องของผขไม่รู้ความจริงของท่านจนท่านหลังจากนั้นไปแล้วท่านถึงมาหน้าภาพผ่านไปเรื่อยเราปฏิบัติจนค่อยๆเข้าใจพอเข้าใจฉะนั้นโอ้โคตายโอ้โหีอย่างนี้ี้ยทั้งเผยร้อยคนเอง นั่นเกี่ยวข้องอะไรกับธาตุบางกันซึ่งเป็นตัวสมมุติจิตนั่นเป็นสมมติเพื่อสมบูรณ์เันที่แล้วมันมีอะไรกับสมมุตนินานมันยังใน ท, ทันทีนกขอกลับมาโทษทันลงใจปบแล้วขมาโทษทันทีเพราะเราจับไว้ได้ในความคิดอย่านี้แต่ก็รู้สึกว่าหายไปทันทีอันนี้ พอคำพอมันคิดปามมันก็ไม่คิดไปเจรณาจริงจริเงินตังอะไรนากนีดนรักล้วมันก็รู้อีกด้วยมันก็ปรากเป็นทันทีเลยด้วยแล้วก็จําไม่ด้วยพอพอเราเข้าใจความจริงแล้วเร า, เขาขก็ขอพระมาท่านยอมรับทุกสิ่งที่อย่างที่คือกล้าดไปตามในิสัยของมีชีเลสขออน้อมรับทุกสิ่งที่อย่างของพมรูอาจาราย์ได้โหติเนตตาโหติกรรมท่าน ในตัวนก็รู้สึกว่าลาบไปเลยแหละไม่ไไมีอยู่แล้วที่เหลือก็มีนันเองต้องมานยผมยังผมยังแน่ใจผมยังน้ำว่ากำไม่ยังมีอยู่กับผมหม่นเพราะมันขึ้นแดงนะเราเข้าใจว่าเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์ของคนมีงกิ่เหลี่ยมนี่นั่นท่านพูดท่านไม่มีกินเหลี่ยมันพูดมาคครมานี่มาแบบไหนนี่เหร มาแบบหมากรือมาแบบพ่าวานะฮะ ม, มือท่านหายตอนที่พรกันไปเล่าย่องขุนีูจันาร์าเสาย่มงไปแล้วเอากบขันแล้วก็เอาอาัฐิขท่านไปตำเป็นจนเป็นผงผสมกับผงอะไรต่ออะไร น, นับปันเป็นลูกเล็กๆน้อย ๆ, ๆ, ๆขายเนี่ยเล่าให้ท่านทัง หฮะป็นทันทีนะปังเลยน่าเลยนี้แทนที่จะไปที่อื่นไม่ไปนะนี่นะเฮอพวกนี้มาแบบไหนกันเฮ้อมาแบบหมากันเหรอครับอัดหาแท้กระดูกตั้งเยอะนี่มาแบบหมาหรือแบบไหนกันแบบมาแบบหมาหรือแบบพระมานะเล่นเหมือนทันทีว่าเออเราก็ตอบภายในจิตมาแบบพระเราก็จะเวลาบริสุทธิ์มันเป็นเจลล์นี่นี่หัวใจเราเป็นไม่บริสุก ตัวถึงจะพูดว่าตัวของบริสุทธคือตัวที่ฐิอันหนึ่งอยู่ในนั้นเองท่านถึงไม่ไม่ไม่ไม่ลดไม่หายไอ้ที่ท่านอยู่กับผมติกนานเท่าไหร่ก็ไม่มีทางเป็นพระธาตุได้เลยเหมือนกับท่านติดคุกติดตารางพอให้คนอื่นไปนี่โอยนี่ผมจําไม่ดีเลยน่ะพอให้ไปหลายครั้งแล้วผมจําลายครั้งแล้วนั้นระยะสุดท้ายเนี่ให้เขาไปในอุดรนี่แหละ มาดูคุ้มแล้วก็ผมได้ส่ห้าปีไม่ได้เรื่องอะไรเลยพาเขาไปเจ็ดวันเท่านั้นนั่นดูสเหมือนท่านติดคุกเิสราลงอยู่กันเราหอมตลกอ บ, บวนในบ้านโอ้โหอาารรพ์ทันกันมันเป็ตบ้า น, านากสรประท่บบเนะ้เขาไหน้าลอกกั น, มกบบนแม้แต่คนอื่นเข้าไปเียว้ง น, น ในบ้านเขานั้นมันหอมมาอะไรทแปลกปหลาดเหลือเกินหอมถูกหอมอะไรนี่เขาจุดทูบบูชาจีดกานไม่ใช่นะคนเขาเถียงนะคือมันเด่นยริงความหอมนะสำหรับเจ้าเของบ้านไม่ว่าเด็กว่าผู้ใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันไม่มีใครใครสงสัยหรอนี่จ้ดไม่ถ่านไม่ทานไระทานแล้วใครจะไปแตะนะห้ามให้ไปแตะให้หายกลิ่นซะก่อน เนี่ยเอาไปจากผมเจ็ดวันนะั้นนยเป็นแล้วหอมตลบอบอวนคือเตศปกติธรรมดามากทิเดยวกลินนั่นก็ไม่เลยเหมือนกิ่นธรรมด้าวกลิ่อัศาจรรย์นั่นแหละเหลางนั้นใครแต่กิ่นเหมือนกันหมดดิมันชัดเจนเล้วหลือเกินเหมือนกับกิ่นดอกไม้ทุกเจนจริงๆ่น แต่นี้มันไม่ดกิ่นอันนั้นหวานไม่ได้กิ่นของมะจุบเจียนนะกินอันหนึ่งน่ะกิ่นผูดเรียนกล่ายว่ากลิ่นท่าท่านั่นแหละว่ากันเลยเป็นสิบห้าวันหอมตลกวนถึงสิบห้าวันหายไปพอหายแล้วแบบดูประมาณสิบ้าวันพอหายตงเนียบไปเปิดดูกายเป็นท่าทานเรียบร้อยหมดแล้วเดือนกว่ากว่านั้นนะ เป็นพระธาตุโดยสมบูรณเดียวเขาก็นี่มาหาเราเป็นแล้วมันจะเป็นพะธาตเยอะร้อยหมด้นั่นแหะไปเงินนะอยู่น้องผเป็นีไม่ได้เรื่องอะไรเลยยอมรับอีกว่านี่กรรมของผมมันไม่หายงานการพวกนี้คือานอัเรื่องนี้ไม่หายแต่จะให้เป็นตัวเป็นกรรมอะไรต่อจากยิ่งผมนั่งก็หับเราคิดว่าไม่เป็นละเป็นเป็นนี้ให้เราเห็นทุกท่าน กัาบรรงาตัวมีคำตัวสาคัญเป็นบา้างหรือ่าอันตัวนยางไงเป็นแปลกประหลาดมากนะอาทิตยพ่อแม่ครูอาจาร์กาย ป, ประทานเป็นได้หลายชนิดมากฮะเพราะคนน่ารักแใจไปมากมายเป็นแก้วอะไรสีชุกเขียวนีมีนะเนี่ยเวลาจับยกขึ้นมาเนี่กระเป๋าผิวเหมือนกันกับอาทิตนั่นแหละ พระธาตุก็เบาอธิก็เบาทียังไม่เป็นพระธาตุก็เบาแหน่นี่ก็เบาเป็นได้หลายอย่างมากก่อนก่อนอย่างนาอาารละวางนั้นหรืท่านถาม า, า, าตั้งอสอเท่าไรไมันนี่ยงไม่ยึดสองั้นเป็นเบื้องต้นหลสองแ้มน้มานเท่านัาานขาวรเป็นี่สบหกน ถ่าผมอนประวัติท่านผมอนหนึ่งมาเขียนในประวัติศาสตร์นะผมมีผมได้มาเนี่ยนะฮะเขียนไว้เพราะงั้นผมึงได้ออกมาเขียนในประวัติศาสตร์ได้อย่างสบาย <c oughs> ไม่ทราบไปไหนไนม่ัรนบอะไที่ผมส่งคืนกับมะไรนะโอ้มาเขียนผมมารอก เป็นบัญชาที่16นะเป็นบ่ญชขาวนะันั้นเริ่มท่านก็เริ่มปฏิบัติมาถึงบัญาที่6เป็นเป็นบรจาที่ท่านร่วงผ่านไปได้หลท่านจันทรี้มนมี่ผมจําหน้าทันเด็ c. ตีท่านมาจำบรญจาร์ที่ว่าสุทธาวาสท่านามาจตา่เช้ามาหลั ง, งแม่คูจานย์เรารุ่น3ปี4ปี คือกั้นผมจําำมนำกับท่านปศแปดสิบห้าจําำมนแปดที 85, ำำ่สี่ดุ้งจำมันโค้งเดีวย 8, 3, 8, 4, ดวแปดที่สามยวแปดทสามแปดที่สีุ่้งจำโคราชนี่จักรหลักแปดที่ห้าจำมันโคตรแปดที่หกจำนำมนนั่นแหละที่ใจโคอรท่านมาจากสมัยที่คุยธรรมากันกับท่านท่านพูดถึงเรื่องความผ่านพ้นมึงท่านท่านก็ไม่ได้บอกว่าผ่านมากี่ปีแล้ว ท่านมานนทานพูดถึงเรื่องท่านดิจิใหม่ท่านผ่านมาท่านดิจนใหม่และจากนั้นมาถึงระยะที่ท่นานมอหน้าภาพมันก็ตั้งเท่าไหร่ยี่สิบแปดีเป็นอย่างน้อยที่มาทางนี้เนะพราะท่านพระธาตุอธิาัติการประทาได้อย่างวดเรผลและิบรรดาลูกศิษย์ที่มาแต่งเทศ้พ ญ, ญาเขาสบท่านนีพยาเอาสีอทาอาจารานี้ให้ได้นะอาอธิบุรุษท่านาจารนี้จากการประทานแน่นอนราบอกเพราเคยไดุ้ดท่านแล้วนี รุยมยังไม่ถึงปีเต็มด้วยซ้ำนะกายประทายนยนะถ้าท้านครองขันมา น, านนะ่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กบการคลองคลองขันมานานหรือไม่นานนะั้นตามความเข้าใจของผมถนะ้าท่นครองขันมานานความรู้สึกของใจกับร่างกายนี่มันอยู่ด้วยกันการที่บริสุทธิ์ นั่นก็นสามารถฟอกทาตให้ธาตุที่บริสุทธิ์ป็นการส่วนได้ยิ่งการภาวนาด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นอันดับหนึ่งทีเดียวทาาั้งภาวนาทั้เรืมีความสงบมีกายกำลังพิจารณาเป็นเหมือนลูกการพอกอยู่ในตัวแม้จะกิจที่บริสุทธิ์มันยังเป็นการพอกอยู่แล้วแล้วการเขาจมาพิจารณาบัตินี่ก็ยิ่งเป็นการฟอกโดยตรงเพราะฉะนั้นท้าหนึ่งผัานในหน้า หนท่า น, นกาจารนะกามีภาษายุโรปเราพ่อัวไม่ทราบัญษาเท่าไหร่นะคุยกับผมอยู่ที่นะ่ก็เร็วนะที่บ้านจุมพลอนะ่ะปีนั้นท่านหูกงปู่คาท่านไปท่านจามันาอยู่ที่นั่นออกภาษาด้วยนะคร่ไป พอกรรมกรรมนะพ่อทำทุยนี่แหละนายนิมนต์เราน่งอนี้ิมนต์ต้องตะบว่เ่าออนิมนต์้า้องบไปเราจะไปอ่เรามีอะไรอะไรนี้นี้่บนตวโบพูดอะไมมีอะไรอยู่ข้องใจอนให้ได้นะบอกด้วยว่าเราก็จะไปนะนนพ่อไปถึงนง อาจาร ย, ยนิมวัตนันท่านอาจารย์หาเปล่าเปล่าอี่ยนะโหนิมวัต น, นี่ละธรรมะที่ไหนวะท่าน ถ, ถามถึกงการหลวงพ่อบัวจะไปเปลาป่าว่ า, วางั่นนะวะหลวงพ่อ้าโอโท่านอาจารย์หาไปไปไปไปไป ไ, ป ไ, ป ไ, ปไปกัน น, น, กนักกง่งก็ไปแ้่ท่านไปตัดหลวงพ่อเป็นคนสั่งแต่กุฏิเองท่านก็อยู่หลังนั้นผมอยู่หลังนี้ติดกับรั้วเลยนูนธนาอยู่นูนลึก ๆ, ๆอยู่กลางวัดนูนเราดนเขตรั้วติดรั้วเลย มีกุฏิสองหลัตง้างอยู่หลังนั้นผมงอยูหลงนี้พอไปแล้วท่านัู้ฟังมาหาเลยแลก็คุยกันสองสอาบน้่นายุจจาไล่คนหนีหมดถ้านเรนไล่นีหมดแล้วลนนหขึนนหออ้นมาถาม <S <S ผมมามุ่งหงพ่อนั่นผมไม่มางานอะไระๆๆมาหลวงพก็มามุ่งู้ทานกันแล้วเอที่นี้เล่านะเอาเล่าเป็นยังไงเอาเ ล, า, เ า, เลามาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติที่แรกจนกระทั่งปัจจุบันอยปิดบางเอาเล่ามาเรื่อยบผมจะฟังให้ตลอดวันนี้ ผมไม่ใช่ใจนักกับหลวพ่อนะผมพุงกงหน้าว่างนี้เลยหน้าร้ายคือก็เล่ามาโดยลำดับลำดับลำดับมาถึงจุดปัจจุบันก็อยู่แล้ว เ, เล่าไปทีค่คือถามก่อนนะเพราะเพราะเล่าไปที่บอกหมดท่อนี้แล้วเขาเข้าใจว่างไหมหมดท่ อ, อบบนอี้เข า, าขเข้าใจว่างอหมว่างอีกก็เข้าใจว่าสิ่งเนี้ว หวังอันนะั้นแล้วเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วอ่ะเป็นตัุ้่นสิบกว่าปีได้หรือเปล่าจากนั้นเราก็เริ่มอธิบายบาให้รู้แค่นี่เที่ตายเอามว้บอกนั่นเลยเอที่นี้ให้พิจารณาอย่างนั้นนั้นนั่นนั่เอเลยต่อหลจากนั้นให้เลยมจะให้ดีนะมีสองสองอธิบายไปที่แล้ววันนี้ไม่ต้องไปสวดมนต์ไม่ต้องพนันงานนนท์ให้ภาวนา อาหำมันไวันนี้รู้วันนี้หนักมามันเข้าวงแคบแล้วมีพอพูดกันจบเรียบร้อยแล้วก็ไปลงไปเริ่มภาวนาตั้งแต่วันนี้ไปนะค้ามอะไรเพราคุยกันทั้งวันห้าโมงผมไปถึงตั้ง4ี่โมงนัง่งคุยกัน5ห้าโมงอยู่ตั้งเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงจากนั้นเราก็อธิบายให้ฟังเป็นเวลานา น, น, นกัน พอสง of, อ truth, กรานตล้วตอนกาถึ gels, าเงเวลาผมก็ลงพิจารณาตอนนั้นเราคขึ like Recently, ้ันมาตอนเช้าผมนั่งภาวนาไม่ออกสับที่นะต้องเสียบันไดกุ๊กเกากักพอสว่างเป็นวันใหม่กุ๊กก้กักกันมาใครเนี่ยผมเนาะผมพอบัวแล้อวะใช่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเพื่อมาเล่าให้ฟังนะ มาถึงพอไปถึงนั่นแล้วก็จับอุบายท่านอาจารย์เข้าปุ๊บเลยทันนีถ้าตะก่อนไม่รู้เนี่ยมันก็เท่ากันนั่งเชียร์แว่าสําเน็งเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยวไปอยู่นั่งเชียพอมาถึงที่นั่นแล้วกอุบายท่านอาจารย์เข้าใสาป่ปุ๊บปุ๊บเนี่ยวบุ๋ยไม่นานเลยตาโคเหมือนกับ ภาษาทางภาคอีสาเว่าข้างกุตินะขานกุติ ข, า, ตขาดบึบเพื่อนทันทีเหมือนเขาพ่นกระแทกดินแต่ไม่เจ็บประมานั้ น, นเหมือนกับข้างกุฏิขาดลงเอาลงพื้น เ, เลยฮึ๊บที่เดียวเลยแต่กินมันก็ไม่กังวล น, นะเพราะมันไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรนในขณะนั้นพม มันคัรงไปนั้นเดียวจนนั้นแล้วมันนิ่งก็เดียวจิตพอพอมันหายจากขนานแล้วจิตก็รู้ตัวออกมาข้างนอกมาก็มาดูว่ากุฏอาคารกุติมันพาัขาดแล้วว่าลงกันตั้งพื้นนี้ลงกปถึงดินนั่นทำไมมันหนิ่งดีอยู่นี่ มันก็รู้กันทันทีนะโอ้โหนี่มันฆาตวิชาขาเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหเวลานั้นมันมันพูดไม่ถูกเลยวนะ่างั้นหน่อยนะพอขณะนั้นทํางานลงไปเสร็จสุดล ง, งไปแล้วนี่มันเหมือนเราเป็นคนนรกเลยเจ้าผมไม่ไม่นอนทั้งคืนเมื่อคืนนี้ว่างั้นนะลายนี่ผมจะรู้อะไรเลยนะผมกราบท่านอาจารย์ตั้ทั้งคืนเลยวนะ่า มันไม่ทาบเป็นไงมันกราบครูพระุทธิจ้ากราบพระธระรมกราบพระสงฆ์กราบทนาจย์ตลอดคืนเลยผมไม่นอนจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะ ม, มันอะไรเหมือนกขก า, า, า, ารตับงบปภาษาพระพุวธเจ้าสวยมือที่สุขมันอะไรพูดไม่ถูกอะไรอาตจันครูบาอาจารย์รยรำทำพระธรรม เราเห็นคุณของทางการเหอว้าเห็นจริงๆนะเด่นนี่คือหนังไม่ทำไมท่านเราจมไปแล้วมันไปถึงไหนแล้วเดกจริงๆเหือนวังการบุกาเหมือนหแต่เมื่อมาแล้วก็ไม่พูดอะไรกันอีกเลยจนกรทั่งท่านไม่อับฟางไพูดอีกเลยพูดอะลรอีกถึงท่านนั้นแล้วพูดอะไรไปอีก ไมีอะไรที่จะเพิ่มเติมให้เป็นประโยชน์อะไรเพราะมันพอตัวแล้ ว, วนะหมดปัญหาแนละ้วก็จะเอาอะไรมาุปู่ฐานนี่นเคยคุยกัน น, น, นั่งแต่ตอนนู้นก็ไม่เคยพูดกันอีกนะท่านอังทางตั้งแต่ไปอำเภอนองบัวลพูคุยกันสนุกสองต่อสองยู่คือยูวดีมันนั่งแ อ, อยู่ข้างหลังว่าโมโห สุ้มเริ e ่มสองมจนไปตั้งหกคเราคุยคนเดียวไปสักสาชั่วโมงคือแเราพูดเราพูดท่านผู้ฟังเเริ่มไปกอกา่อกาเลยทุกทุกทีเป็นยังไงไงว้าไปเรดลมางหมดความสามารถของเราแล้วเราก็ไม่ถวายท่านเลยบอกท่านอาาอย่าผูกเป็นความเใจผม เพราะฉันผาดความตรงไหนมันไม่ถูกไหนขอให้ท่านอาจารย์บอกก็ยังคงๆเลยเอาฟาดให้เต็มที่เลยผมยังหมดความสามารถเท่านี้แหละถ้าติดก็ติดแบบว่าไม่สนใจจะแก้เลยขนาดนั้นแหละหลงก็หลงขนาดนั่นแหละแต่ข้างก็ไม่คุ้มากนะ เราก็ไหรือมีไม้หรือว่าเากปเลยนั่นไคุยกันมาตั้งแต่องนังถึงหรองมันถึงุเรือของเราวท่านมีเพีคดไม่ถึงข้ามรพูดขงาตดงมอคลายนพังยมาให้ท่านความเป็นอนรร้ผม คนมหาวิทยาลัยด้วยเลยเคยปฏิวัติกับครูบาอาจารมาไงไม่เป็นปัญหาที่จะมาตดกันท่านอา้ารยพูดเรืความสะดวกไม่ได้ไม่ต้องเป็นอุปสรรคท่านอายพูดเลย้งยอมรับทุกอย่างอ่ะสิ่งที่มันสุวิสัยผมแล้วไปแล้ว่ะผมตัองพูดเย่างนี้การเรีย น, นเป็นท่านี้อ่แค่นี้ลนะ าติดกติดแบบเจ้าของไม่มีไม่มีความสนใจจะแก้กันไม่รู้ขนาดนั้นแหะไม่รู้จนกรั่ ง, งมันไปถึงไหนแล้วแหละติดติดอย่ตรงไหนนั่นแหละไม่รู้เลยถ้าว่านอนจาก็านอนก็เลยเห็นเลยผลนั่นแหละมาพูดมาพูดพเฉพาะแอ่นี้การปฏิบัติการติดมี มันก็มีเคอยู่สองสองเคที่ช่องผ่านนีบอกตามมาลภะเนี่ยคนะสมันอวิชชาเน่ยก็มหาประคุณบางมนแล้วมนมีที่ข้องแย้สงสงสัยแปลว่าถูกต้องเข้าพันได้ทุกอย่างหลังนี่เป็นเรว่อรวบเลยผมก็เป็นอย่างนั้นหลัมามัน็กันหนาวเที่ยงคนไม่มีวันไ อ, อ้คุณเอะไอร์เ ขขัดแย้กงกันเื่อการอุบายวิปนามกวามแคบนั้นมันเป็นแต่อุบายของแต่และคนนคนแต่ว่าสําคัญที่จุดที่รวมมันเหมือนกันทั่าวอนนย่าง น, นั่นเลยนั่นถ้าครเล่าผมผมนั่นถ้าเขาจะพูดถึงสถานที่อย่างนั้นเป็น